แล้วจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีภิกษุทั้งหลายสรงพึงแต่งตั้งภิกษุเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณีอย่างนี้